ผมบอกผู้ที่พิจารณาจิตนะคะว่าคือให้อยู่แต่แค่แค่รู้เนี่ยค่ะจะไม่เหมือนฝั่งกายที่จะต้องน้อมอะไรเข้ามาในใจใช่ไหมคะว่ามัน ว, ว่าเราบังคับไม่ได้นี่ไม่ใช่ของเราคือมันจะไม่มีมันจะไม่ ม, มีการฟ้องไปไปน้อมแบบนั้นใช่ไหยคะ่ะคือจีตก็ต้องน้อมต้องน้อมคือนโยบายโสมาสาิการต้องน้อมว่าเนี่ย เราที่มาลูขันห้าเนี lar, ่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาการใดๆไม่ได้เนี่ยไม่มีไม่ปรากฏตัวตนเลยไอขันห้าที่มีความรู้สึกแลคิดอารมณ์ทุกขณะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ต <sh> ัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราดังนั้นทุกขณะปัจจุบันน่ยทุกขณะจิตจิตวิบันที่มันมีความคิดที่เนี่ยถ้าเราเนี่ยน้อมไว้ในใจเป็นโยนิโสมนติการรู้สึกออกมาจากใจอย่าก่อเนื้อไม่ขาดสายว่า สิ่งที่ขึ้นสิ่งใดที่เคลื่อนไหวได้มันเป็นสังขารคงแต่เป็นขันธ์หทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราส่วนเรา แ, แท้เนี่ยหรืจิตเป็นจิตเดิมแท้หรือวิญญาแตแท้เนี่ยนั่นนะไม่มีกิริยาการใดไม่มีแแต่กิริยาการรู้ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ดัลลงนั้นสิ่งใดที่เคลื่อนไหวได้พุทธกาลปัจจุบันนะ่ะที่มีอาการจะไม่มีการขาดสติเปิด <c oughs> เข้าไปยึดเอาสิ่งที่ิๆๆว่าเป็นตัวเรากําลังคิดหรือเอาสิ่งที่กาลังคิดว่าเป็นตัวเรา เอาจิตทีกลังคิดว่าเป็นตัวเราหรือว่าจะหลงเอาตัวเราไปพูดคิดได้เลยคือเราเป็นสิ่งที่คิดไม่ได้ภูมิทัศน์ตนตนไม่ได้ไม่มีอะไรเลยมันจะต้องน้อมหรือรู้สึกไว้ในใจอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเรียกว่าโยนิโสมนาปิการมันสอนใจตัวเองไว้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วมันจะไม่เอาไอ้จิตที่มันคิดุกปณาราปฏิบนะัจิวันเนี่ยที่มันเคลื่อนไหวปรุงแต่เกิดจับได้มาเป็นเราเป็นตัวตนของเรา แล้วมันก็ไม่มีใครเข้าไปยึดถือเลยก็ปล่อยให้จิตที่มันคิดจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิยกจิ๊กจิ๊เจา๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กติ๊กจิ๊กมิตกจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิเปล่าตัวตนไม่มีไม่ปรากจิากองผู้รู้ด้วยจรากฏแต่สิที่ถูกสิที่ถูกจิ๊้งหมด เร็วที่สุดก็เกินจิตจิตนี่คือความปุงแต่งีิเคราะหจารวิจารไม่มีใครเข้าไปคิดมากเลยปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดเองกับเองเกิดเองกับเองเกิดเองกับเอง่ให้คือให้สังขารนะเกิดเองกับเองเกิดเองกับเองเขาจะคิดเร็วเป็นเป็นปานปรมาณูเลยรวดเร็วปานใดก็ตามจะคิดเร็วรวดเร็วปานใดก็ตามเป็นปรมาณูของจิตเลยหรือเป็นปรมาณูของวิญญาณเกิดดับเร็วมากแต่ไม่มีใครที่จะเกิดดับเร็วขนาดไหน คิดเร็วขนาดไหน ย, ยิ่งยๆเล็วขนาดไหนก็ตามเป็นปรมาณาูของจิตก็ไม่มีใครก็ไปเฉลยไม่มีใครก็ไปรองรับไม่มีใครก็ไปยึดมาถึงม้านคือมันมีสติปัญญากากับออกมาจากใจของเราตลอดเวล า, ยาอย่างต่อเนื่องไม่คขาดสายว่าเราแท้จริงตัวตนไม่มีไม่มีตัวตนของเราเป็นแค่ภาพรู้ซึ่งเป็นความว่างเปล่าเป็นเดี่ยวกับธรรมชาติจกักรวาลไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวไม่ประกฏการกระเพื่อมใดๆดังนั้นถ้าเราเนี่ย มีสติปัญญากำกับอยู่ในใจเราร้อยเปอร์เซตมันก็จะไมปยึด เ, เอาไอ้ทุกขณะจิติี่มันสังขัดทุกขณะเนี่ยว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตวนของเราแล้วก็จะไม่หลงเอาตัวเรา ไ, ไปเป็นคนคิดติดต่อไปเลยแล้วมันค่อ ย, อ ย, อยๆบันบอ ก, บอกมาสอนตัวเองอย่างเงี้ยอุกค้างที่เผลอไปเอาตัวเราไปเป็นตัวคนคิดเอาเอาจิตจิตคิดมาเป็นตัวเรามันก็จะค่ อ, อยๆหลงหลงไปแต่ละขณะมันก็จะสอนมาบอกมา ล, ลา้วละปล่อยวางหลงหลงไปแต่ละขณะที่เอาตัวเราไปคิด หรือลงเอาจิตที่คิดว่าเป็นตัวเราเราก็จะบอกสอนว่าทาไมโง่แบบนี้ทําไมโง่แบบนี้ไปยึดเอาอไอ้สังขารที่มันปรงแต่งได้มาเป็นตัวเรามันก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์อีกเป็นกี่ภพกี่ชาติมันเกิดตายมาไอ้รู้กี่ภพ ก, กี่ชาติกรเพราะว่าไปหลงยึดเอาสังขารมาเป็นปตัวเราเนี่ยมากี่ชาติแล้วเอาหลงเอ้จิตที่มันคิดนี่คือความปรุงแต่งได้มาเป็นตัวเราหรือหลงเอากายยาสังขารมาเป็นตัวเราเอาจิตสังขารมาเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยหลงอย่างนี้มากี่ชาติแล้วโง่จงงงริงๆริงไ S, สอนม่รู้จักจำก็ว่ามันบ่อยๆด่ามันบ่อยๆเขาบ่อโง่แบบนี้มือมันหลงเอาเอาตัวเราการเป็นตัวคนคิดปรงแต่งได้เอาเอาจิตที่คิดปรงแต่งได้มาเป็นตัวเราตัวตนของเราทุกขณะจิตปัจจุบันแล้วก็ด uh. ่าม <c ười> <c ười> <curios idades> ันบอกมันกระแทกมันบ่อยๆเราก็ปล่อยวางไอ้จิตที่คิดพงแต่งขาดมาบ้านไปเรื่อยๆขาดมาบ้านไปเรื่อยๆก็ปล่อยให้มันคิดเกิดดับคิดปงแต่งเร็วรวดเร็วควานใดก็ตามมันเกิดดับของมันอย่างอิสระ ไม่ปรากฏว่ามีตัวเราเข้าไปเสวยเข้าไปยึดบ้านถือบ้านอีกต่อไปก็จะพ้นจากพูกไปอ่ะแล้วส่วนนี้คันในในคันตปฏิบัติอะคะ่ะคือตั้งตอนก่อนก่อนที่จะเริ่มเดินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็จะอยู่กับภูโธก่อนแต่พอมันเริ่มมันเริ่มเข้าพอมันเริ่มเข้าไปมากๆเริ่มแบบเหมือนกับไปมันเริ่มแบบ มือนเขาเรียกว่าอะไรคะมันเน้เหมือนกับไปมันยี้ยิ้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ตามสลัดพุดโทโธออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าจริงจริงมันมันมันควรจะยังติดอยู่กับพุโทโธยหรือเปล่าเลยะคะ่ะเพื่อที่จะว่ามันมันไม่ใช่อาการขี้เกียจของของจิตเองที่แบบไม่อยากจะท่องพุโทโธแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจีอย่กัพุโทโธแล้คือเท่าที่หลวงตาสังเกตเห็นเราเนี่ยคือ เราอ่านใจตัวเองไม่ขาดอ่ะคือมันเราเนี่ยมันมีรู้สึกว่าเรามีตัวตนตัวหนูเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรามีตัวตนแล้วมีตัวตนที่จะเอาตัวเราเนี่ยไปช่วยเหลือตัวเราไว้ตลอดเวลาเลยจะเราพุ้ตองผู้โธไว้กันช่วยเหลือตัวเราไม่ให้หลงไปหรือเราจะพยายามกําจัดผู้ตัวออกไปแล้วกําจัดจิตที่มันคิดปรุงแต่งออกไปพยายามจะช่วยเหลือตัวเราอ่ะให้ไปเป็นนิพพานหรือช่วยช่วยเหลือตัวเราให้ไปเป็นความสุก เราคือเราไม่มีตัวของเราเนี่ยยืนพื้นไว้ในจิตของเราในใจของเราเลยในใจลึกๆเราไม่เราโยนิโสผิดคือเราไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนของเราและไม่มีอะไรเลยเรากลับไปโยนิโสหรือไม่ได้โยนิโสเลยว่าเรากลับไปรู้สึกจริงๆแหละนี้เขาเรียกว่าโยนิโสอะโยนิโสมนาสิกาเป็นอะโยนิโสมนาสิกาคือไม่โยนิโสมือนการคือตรงกันข้ามเลยไปรู้สึกในใจว่าเรามีตัวตนแล้วพยายามจะช่วยเหลือตัวเราตลอดเวลาของของเราเนี่ยเราสังเกตเห็นบางครั้งก็ไปแช่เลยเอาตัวเราไป พอเสร็จปุ๊บเรากําจัดอย่างอื่นไว้ได้ใจก็เลยเบาสบายว่าแล้วเราก็เอาตัวเราเนี่ยไปแช่เหมือนแช่น้ําปลาเหมือนไอ้ไอเบาสบายว่าเนี่ยเหมือนเหมือนอาการที่เป็นน้ําปลาหรือว่าไอ้ไอ้น้ําแช่ผลไม้หมักดองแล้วเอาตัวเราเหมือนไใ้ผลไม้หมักดองอ่ะเอาไปแช่ในนั้นเลยเนี่ยเราสังเกตเห็นนะมันต้องโยนิโสมานสิการในใจว่าเนี่ยเราไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีเลย ไม่มีตัวตนปรากฏอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าเรามาจากความว่างเปล่าเหมือนกับอวากาศมาจากอวากาศแล้วก็มีมีพลังงานคือมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมามีน้ำขึ้นมาก่อนแล้วก็มีรูปคือมีร่างกายขึ้นมาเวลาตายแตกดับรูปน้ำดับหมดแล้วที่สุดก็กลับคืนสู่ความว่างเปล่าแต่เนี่ยในใจมันรู้สึกว่าเรามีตัวตนมีตัวตนของเราแล้วเราพยายามจะช่วยตัวเราให้ไปเป็นอะไรให้ไปถึงอะไรอยู่ตลอดเวลา ให้ไปได้อะไรไปเอาอะไรแล้วก็มีไม่เอาอะไ ร, รแล้วมีการต้องต้องพุทโธไหมต้องเพื่อให้เป็นอะไรต้องทำอย่างนี้ไว้เพื่อให้ตัวเราเป็นอะไรต้องอย่างนี้ไหมให้ตัวเราไปไปได้อะไรตัวเราไปถึงอะไรไปเป็นอะไรอันนี้เรียกว่าอะโยนิโสมนัสิกานคือไม่โยนิโสมนาสิกานไม่ผิดที่รู้สึกไว้ในใจอย่างนั้นคือผิดผิดจากทําคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงไหมเนี่ยที่หลวงตาพูดอย่างนี้จริงค่ะเพราะอย่างแบบหมือน หนูเป็นคนเหมือนคนมั่นใจในตัวเองถึง ท, ท, ที่สูงมากเลยนะระหว่างเดิอนเนี้ยมันก็แบบพอมันเกิดความรู้สึกของคําว่าตัวเราเห็นตัวเราแล้วเราก็รู้สึกว่าในทางกลับการหนูนกลับว่าจะกลับไปค้นหาว่าไอ้ตัวเราตรงเนี้ยมันอยู่ที่ไหนแทนที่จะแบบโยงนิโสมาว่าจริงๆมันไม่มีมันมันกลับไปไปเถียงว่าจะหาฉันตรงเนี้ยว่าฉันอยู่ที่ไหนอะไรยเงี้ย คือเราเนี่ยจะไปหามันก็นเพื่อให้หาว่าเราไม่มีตัวเราแต่ความจริงอ่ะเราผิดคือเราไม่มีตัวเราเราจะไปหาเราว่าเรามีตัวเราอยู่ตรงไหนพอใจไหมเมื่อเราไม่มีตัวเราในใจร้อยเปอร์เซนต์ปุ๊บใจมันก็ว่างเปล่าเลยแล้วทุกอย่างเนี่ยที่มีสังขารใจว่างเปล่าไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างนะว่างป่าจากตัวตนไปเลยสังขารทั้งหมดเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่มีจะไม่มีตัวใจ มันจะเหมือนอย่า ง, น ง, งเนี้ยของโยมเนี่ยมันเหมือกับว่าเวลาเรามามาอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยสมมตินนะะแล้วตกกลางคืนเนี่ยกลัวผีเพราตอกกลางวันเราเดินไปทั่วหมดเลยเดินไปไกลรอบทั่วหมดเลยพราะตกกลางคืนกลัวผีเลยผีมันมีจริงหรือเราคุงแต่งกันวะไอ้พอตกกลางคืนกลัวผีเราก็พยายามใช้สติปัญญาว่าผีอยู่ไหนผีมีตัวอยู่ไหนผีมีตัวอยู่ไหนผีมีตัวอยู่ไหน แต่ไอ้ที่ผีมันมีตัวแล้วเราคิดจะไปกำจัดผีน่ะก็เพราะว่าอะไรเราไม่เข้าใจว่าผีมันไม่มีแต่เราปรุงแต่งว่ามันมีแล้วเราก็จะผีหาทางกำจัดผีไหนผีมีอยู่ไหนผีมีอยู่ไหนมาแล้วเราไปจะกำจัดผีแต่ผีน่ะเราไม่มีปัญญาที่เข้าใจว่าเราเป็นคนปรุงมันเองวะกัางวันไม่เห็นจะปรุงเลยว่ามีผีพอตกกลางคืนกลัวผีที่ปรุงขึ้นมาเลยเราไม่เห็นว่าผีมันไม่มีเพราะเราปรุงมันขึ้นมาเองแต่จริงๆมันไม่มีแต่เราไปปรุงให้มันมีเราปรุงให้มันมีแล้วคนทั้งหลายก็พยายาม หาหมอผีมาหาผ้ายันมาเอาพระม า, าแขวนบริกรรมปุโตพุทโธไว้เพื่อจะทําลายผีเอาอะไรมาคาถาเอาคมเอาอะไรมาสารพัดเลยแต่เนี้ยพยายามไปหาพยายามจะหาอุบายคิดว่าทำยังไงให้เราไม่กลัวผีแต่หารู้ไม่ว่าตอนเราไปปรุงแต่งว่าผีแต่เราก็ปรุงแต่งเสร็จแล้วเราจะทํำลายสิ่งที่เราปรุงแต่งก็เราปรุงแต่งว่าเรามีตัวตนแล้วเราก็จะทําลายให้ความเป็นตัวตนของเราไม่มีก็เลยมุ่งจะทํำลายความเป็นตัวตนของเราไม่มี แต่แท้จริงเน่ยเราไม่มีปัญญาเองว่าก็เราเนี่ยเดิมมันไม่มีอยู่แล้วสำหรับปรุงแต่งให้มันดีขึ้นมาแล้วเราก็จะปรุงแต่งทาลายสิ่งที่ที่เราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจะได้อย่างไรเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจที่สิ่งที่หลวงตาพูดจเหมือนกัะว่าก็รู้ว่าใจก็ยังเป็นแบบนี้แ่ะเอหมือนก็เหมือนกับอย่างนี้ถ้าอย่างเ น, งนี้หนึ่งแม้เราตาพูดแล้วใจก็ยังมันก็จะคาเหมือนเดิมก็เหมือนกัน หลวงตาพูดยังไงอะลงไปข้างล่างกับขาสัน่นกลัวผีกลาคืนด้ออกไปข้างนอกหน่อยกลัวผีขาสั่นแล้วไม่รูง้งตาจะพูดยังไง sentido, ว่าผีเราปูขึ้นมาเองหนูก็เชื่ออย่างที่หลวงตาพูดนะนะว่าผีเราปูขึ้นมาเองผีมันไม่มีแต่พอลงมันมืดๆลงไปข้างนอกข้างหน้าขาสัน่นผับผัหนูก็ว่านุผีมันไม่มีหนูปูขึ้นมาเองแต่ลงไปข้างล่างขาสัน่นพับผับผับผับผักลัวผีพกาออกไปมันก็อย่างนี้แหละแล้วก็ บอกว่าไอ้ความเป็นตัวเรามันปรุงขึ้นมาเองตัวมันไม่มีหรอกผีมันไม่มีพอเราปรุงเข้ามาเองแต่มันก็ขาสั่นอยู่ได้เนี่ยก็ผีมันมีผีมันมีอยู่แน่เนี่ยเราควรจะพูดอย่างไงก็ต้องมีปัญญาของเจ้าตัวจะเออมันไม่มีจริงๆไะตัวตนของเรามันไม่มีเราจึงไม่ต้องไปต้องไปคิดทําลายความเป็นตัวตนของเราขอให้เราเชื่อลงไปเลยว่าตัวตนเราไม่มีผีมันไม่มีเอออย่างนี้ก็จบแต่อย่างนั้นเน่ยปฏิบัติยุ่งตายเลย Mm. ม mm ัน mm จะทำลายความเป็นต mm ัวตนอยู่นั่นแหละแล้วปรากฏว่าไอ้ผู้ที่ทำลายความเป็นตัวตนเนี่ยมันกลายเป็นมีตัวตนซ้อนตัวตนเลยทนี้ใช่ไหมว่าตัวตนนั้นไม่มีอยู่แล้วแต่มันมันเกิดเป็นไอ้ตัวตนที่มุ่งจะไปทำลายตัวตนเลยมันก็ไอ้ตัวนั้นแหละเป็นตัวตนเลยอตัวหลังกลายเป็นตัวตนเลยแต่ไอ้ตัวตนที่มุ่งจะไปทำลายมัน่ะกับจริงๆแล้วกับไม่มีแต่ ไอ้ตัวที่มุ่งจะพยายามไปทำลายความเป็นตัวตนของเราให้ได้ไอ้ตัวนั้นน่ะเลยกลับเป็นมีตัวตนเลยตรงนี้ถ้าเราจะรู้เท่าทันทจริงๆอ่ะเราต้องทำลายไอ้ความต้องรู้เท่าทันขนาดจิตที่มันหลงปรุงแต่งเอาตัวเราไปปรุงแต่งเป็นความพยายามได้เอาขนาดจิตที่เราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหลงเอาตัวเราไปปรุงแต่งได้เอาไปพยายามได้ เอาไปพยายามอะไรพยายามจะทำลายความเป็นตัวตนเอาไปปรุงแต่งดิ้นเล่นค้นหาเหตุผลเอาไปปรุงแต่งเป็นอะไรเป็นความพยาพยามพยายามพยายามพยายามไปเอาไปปรุงแต่งเป็นความพยายามให้ตัวเราไปถึงพนิพพานก็ถ้ามีตัวเราอะ่ะแล้วก็ตัวเราถึงนิพพานแล้วมันจะมีตัวเราจะเป็นเป็นนิพพานยังไงคกิดนิพพานมันคือสิ้นความมีตัวเราเนี่ยด้วยปัญญาแบบเนี้ยแล้วเราไปเห็นมันรู้ต้นทางระดาาับจิตวิญญาณวะ ก็เรายังมีตัวเราจะเอาตัวเราไปหาพระนิพพานจะเอาตัวเราไปหาความสุขที่ทุกไม่มีเอาก็พระนิพพานมันสิ้นความเป็นเป็นหลงว่ามีตัวเราเอาถ้าเรายังยึดจะเอาตัวเราไปไปถึงพระนิพพานตัวเราไปเป็นนิพพานได้มันก็ไม่มีโอกาสแะแบบนั้นน่ะด้วยความปัญญาของเราครัอย่างเนี้ยเมัาก็เลยมองเห็นว่ามันก็หลงมันอยู่ในในเงามืดเนี่ยหลงมันอยู่ในจิต น, นิดเดียวเองนะเส้นผมบางภูเขาก็ตามใดที่เรายังยังจะหาทางเอาตัวเราไปทําอะไร ยังหาทางตาับใดยังหาทางดิ้นรนค้นหาหาเหตุนะผลหาความเข้าใจยังตาบใดที่จะพยายามช่วยตัวเราเองให้ไปหาความสุขยังตับใดที่พยายามจะช่วยตัวเองให้สิ้นกิเลสยังตับใดที่จะช่วยตัวเราให้บริบูรณิพานยังมีความรู้สึกมีตัวเราที่ต้องช่วยตัวเราอันนี้ก็มีตัวเราอยู่ร้อเปเซ็นมีอยู่ตลอดเวลาในใจเราจะยังไม่อยู่ทางผลทุกได้เราก็ต้องเห็นและรู้ท่ากันขนาจิตที่ว่ามันพยายามไปปรุงได้มันเอาความปรุงมาเป็นตัวเราเอาตัวเราไปปรุงได้เป็นความพยายาม เป็นการช่วยเป็นการคิดค้นดิด้นรนค้นหาวิเคราะห์วิจารณวิจัยมันกลายเป็นว่าเอาสังขารมาเป็นตัวเราซะทั้งหมดเลยเอาตัวเราไปเป็นสังขารที่ปรุงแต่งได้เอาสังขารที่ปรุงแต่งได้มาเป็นตัวเราเราทําไมโง่แบบนี้เราก็ว่าตัวเราเองด่าตัวเองเราทําไมโง่แบบนี้ถ้าเราลงเอาสังขารมาเป็นตัวเร า, วาเราไปเป็นสังขารมันก็ไปทางเป็นสังขารมันก็ต้องไปสังขารว น, รนอยู่ในโลกั้งสามแน่เพราะโลกั้งสามมันเกิดจากการสังขารทั้งหมด กามโลกก็ต้องเกิดจากสังขารกามแ่ะโลกที่ต้องเสพกามกันเน่ะมันก็มาจากสังขารกามาโลกรูปประโลกคือพวกที่เสพอารมณ์ชานอารมณ์ชานก็มาจากการปรุงแต่งอะรูปประโลกอะรูปโลกคือพวกที่เสพอะรูปประชานอะรูปประชานก็ต้องมาจากการปรุงแต่งดันั้นโลกทั้งสามมันไปจากการปรุงแต่งสิ้นความปรุงแต่งสิ้นความหลงปรุงแต่งมาจึงสิ้นจากโลกทั้งสามเพราะ โรคทั้งสามมันจะไปได้มันต้องไปด้วยอํานาจของการปรุงแต่งเพราะการมาโลกกามาโลกคือโลกที่ต้องเสพกามคือเสพรูปรดเสียงสัมผัสเสกเสพธรรมรมเสพธรรมลมคือเสพอะไรเสพใจที่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายลังเกียจใจที่ไม่ว่างไม่โล่งไม่โปรง่งไม่เบาสบายใจนิ่งใจเฉยใจสงบเสพอยู่อย่างนี้นะเรียกว่าโรคขั้งการเสพกามอแล้วก็รูประโลกก็คือโลกของพวกที่ เข้าอารมณ์ฌานพวกลือสีเนี่ยอารูปะโลกก็คือเข้าพวกเข้าอารูปะฌานคือเสพทั้งนั้นเลยรู้องแต่ปรุงแต่งทั้งนั้นแหละลูกประฌานก็ต้องปรุงแต่งอรูประฌานก็ต้องปรุงแต่งพวกยิ่งจะเป็นโลกที่เสพกรามแล้วก็ยิ่งปรุงแต่งใหญ่เลยเพราะฉะนั้นการที่เราเวียนไหวตายเกิดแบบวัตตะปฏิจจสมุปบาทอมันจึิเขาจินเขียนเป็นรูปวงกลมเป็นรูปวงวงวงวงของการหมุนเนี่ยเป็นรูปวงกลมเป็นรูปของการหมุนคือมันต้องปรุงแต่ง ต้องเข้าไปสู่กระบวนการของการหมุนกระบวนการของการเคลื่อนที่มันจึงจะไปสู่โลกทั้งสามได้หยุดหมุนแค่นั้นแหละหยุดปุงแต่งไปไม่ได้เลยเหมือนกับรถอะถ้าล้อไม่หมุนออกไปอะล้อไม่หมุนอะมันก็เลยไปไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้เพราะล้อไม่หมุนพอล้อหมุนเนี่ยหมุนด้วยเหตุใดก็ตามล้อหมุนไม่ว่าจะดันไปไปด้วยแรงแรงอะไรก็ตามขอให้มีล้อหมุนไปมันก็เคลื่อนที่ได้ถ้าล้อไม่หมุน มันก็ไม่สามารถเนี่ยที่จะเคลื่อนที่ไปได้นอกจากว่าใครมายกมันไปไอ้มามายกมันไปไอ้ที่มายกมันไปมันก็ต้องหมุนไปเหมืนกันก็ต้องมาหมุนยกมันไปเออก็ต้องเคลื่อนที่มายกมันไปได้เพราะเนี่ยถ้ายกมันไปมันก็ต้องเคลื่อนที่ไปได้ถ้ามันเคลื่อนที่ไปได้มันก็แสดงว่ามันก็ต้องไปสูดภพชาติได้ถ้ามันหยุดการเคลื่อนที่แล้วใจอ่ะใจเป็นฝ่าหยุดเคลื่อนที่แต่ขันห้ายังเคลื่อนที่อยู่เพราะชีวิตยังไม่แตกกลับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่ยังไม่ยังไม่่่ตตตายแกกลลับ้อองเคืนที แต่ใจไม่เคลื่อนที่แล้วไปตามขันห้าไปเป็นใจที่ไม่เคลื่อนที่ปล่อยให้ขันห้าเคลื่อนที่ไปพอตายแล้วไม่เคลื่อนที่เลยไม่เคลื่อนที่ไปในภพทั้งสามเลยเพราะว่าคนจากสังขารแล้วมันก็เลยไปโลกทั้งสามไม่ได้เพราะโลกทั้งสามมันต้องเคลื่อนที่มันถึงจะไปพอใจไม่เคลื่อนที่แต่แล้วได้แต่รู้ที่มันปรากฏ ต, ตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏว่าไปไล่รู้ไล่ดับไล่จัดการอะไรมันได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่แค่รู้ มันไม่เคลื่อนที่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้มันก็เลยเป็นใจที่ไม่เคลื่อนที่เพราะไม่เคลื่อนที่แ่นั้นแน่ในขณะจิตปัจจุบันเลยปฏิจจสมุปบาทหักสะบ้นเลยเพราะปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเกิดจากการหมุนเลยเกิดจากสังขารการปรุงแต่งทั้งนั้นพอสิ้นปรุงแต่งกันนั้นแนะใจสิ้นปรุงแต่งกันแล้นแนะเข้าถึงใจที่สิ้นปรุงแต่งเนี่ยมันขาดในขณะปัจจุบันเลยมบรู้าริพานในปัจจุบันสิ้นพบสิ้นชาติในปัจจุบันเลยที่ที่บอกอะไรที่ ไม่ไม่จีแก้วดีบอกว่าอาพอพิจารณาสิ้นสังขารสิ้นความหลงทิพย์มนถึงมันจะไปพักเดินในพักที่แค่ใต้ต้นมะม่วงฟ้าผ่าเปลี่ยงลงมาพบชาติเจ้าจบแล้วพบชาติเจ้าจบแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแต่เราองค์คู่ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยเปลี่ยงลงมาก็พบชาติเจ้าจบสิทธแล้วจบชาติเจ้าจบสิทธแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะถึงใจที่ไม่หมุนแล้วไงทําไมจึ ง, งบอกว่าให้มาเป็นใจที่รู้ขันห้าเพราะขันห้ามันหมุนหมด ลูกก็หมุนเคลื่อนที่เวทนาก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเคลื่อนที่สัญญาก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเคลื่อนที่สังขารคือความคิดคิดปุงก็เป็นสิ่งเกิดดับเคลื่อนที่วิญญาณขันก็เป็นสิ่งเกิดดับเคลื่อนที่เดี๋ยวก็ไปรู้รูปเดี๋ยวไปรู้เสียงรูดกินรู้รอดรูดตำผัดเกิดดับไปหมุนวนเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยเกิดดับเกิดดับรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับหมุนวนไปดังสรุปแล้วคือขันห้าเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่เกิดดับหมดทา้้นี่่รูขัละ ก็เพราะว่าเมื่อไหรเนี่ยเป็นใจที่มารู้เท่าทานขันห้าจะได้เป็นใจที่ไม่เคลื่อนที่ปล่อยขันห้ามันเคลื่อนที่ไปแต่ใจอย่าเคลื่อนที่ใจไม่ปรากฏการเคลื่อนที่ไม่ปรากฏตัวใจไม่ใจแบบเอาขันห้ามพยายามบล็อกใจให้มันนิ่งๆไม่เคลื่อนที่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยการบล็อกเช่นนั้นอ่ะมันไม่เคลื่อนที่เพราะถูกบล็อกมันไม่ได้ไม่เคลื่อนที่เพราะตัวมันเองไม่ใช่ว่าเราไปปรุงแต่งให้ใจไม่เคลื่อนที่ เราไปพยายามไปไล่ดับการคิดนึกถึงปรองดงแต่งให้มันดับหมดเพื่อให้มันเป็นสิ่งที่ไม่เกอนที่เป็นเป็นของตายเอ้ยมันทําไม่ได้ของสิ่งใดมันเกิดมันดับคือรูปเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งที่เกินที่เวทนาเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งเคกอนที่สัญญาความจําได้หมายรูปเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งเกินที่เดี๋ยวก็ต้องไปจำตาตาหูจมูกลิ้นกายใจประจําสลับไปสังขานคือคิดปรุงปรุงคิดเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งเกินที่วิญญาเป็นสิ่งเกิดดับรับรูปตาตาหูจมูกลิ้นกายใจ เกิดดับเป็นสิ่งเคลื่อนที่มันเป็นของตายอย่าไปยุ่งกับของตายให้เป็นใจที่ไม่เคลื่อนที่ไม่เกิด ไ, ไม่ดับค้นจากขันห้าไปแน่แ น, น่จึงพ้นจากปฏิจจสมุปบาทคือ ก, การเคลื่อนที่ไปในโลกสังสามเคลื่อนอยู่ในใจเรานี่เนี่ยภพชาติมันจึงเคลื่อนอยู่ในใจในขณะปัจจุบันเนี่ยแน่ถ้าเราพ้นจากการเคลื่อนที่มันก็พ้นจากภพชาติใ น, ในใจเราเลยค น, นในใจเราไปเป็นใจที่ไม่เคลื่อนที่แต่ปล่อยให้ขันห้าเนี่ย มันเกิดดับเคลื่อนที่ทํางานของเรไปตามปกติแต่พอตัวซิสที่อายุขายขันห้าก็ดับหมดใจมันเป็นสองที่ไปเคลื่อนที่ไม่เกิดไม่ดับมันก็หายตัวไปไม่ใช่ว่าเราพยายามไปปรุงทํานู่นทํานี่ทํำนู่นทํานี่ทํานั่นทนํานี่ทําใหญ่เลยถ้าทําก็เคลื่อนที่ตายอย่างเงี้ยกลายเป็นตัวเคลื่อนที่หมดเลยไม่เราไม่ไม่เข้าไปถึงตัวที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เคลื่อนที่สักทีมันก็ทํำยังไงก็ตามพยายามทำยังไงเข้าสู่ปฏิจจสมุปาทการกระบวนการเคลื่อนที่หมดเลย เรเห็นว่เนี่ยกามาโลกรูปโลกอลการูปโลกเคลื่อนที่ทั้งนั้นเน่ยเป็นสิ่งปรุงแต่งเคลื่อนที่เนี่ยนะมันต้องพ้นจากปรุงแต่งเตสังอุปสโมสุขโขเนี่ยผู้ใดพ้นจากหลุดพ้นจากความปรุงแต่งจะได้เนี่ยสังก็คือสังขารนะเตสังเตก็คือผู้ใดเตสังก็คือสังขารผู้ใดเนี่ยหลุดพ้นจากสังขารจะได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งก็คือพ้นจากความทุกข์สุขเลยเหนือสุขเหนือทุกข์เรียกว่านิพพาน เข้าถึงใจที่ไม่เคลื่อนที่ปล่อยทุกอย่างมันเคลื่อนที่ไปแต่ใจเนี่ยไม่เคลื่อนที่ทุกอย่างเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับในความไม่เคลื่อนที่มีสิ่งที่เคลื่อนที่ในความไม่ เ, มเกิดดับในความเกิดดับมีความไม่เกิดดับที่ท่านบอกไปให้สุดขุดได้ถึงก็คือไปให้ถึงความไม่เกิดไม่ดับนี่แนะจะเรียกว่าอะไรก็ตามสิ่งนั้นจะเรียกว่าใจาเรียกว่าจิตเดิมแทเรียกว่าธรรมธาตุเรียกว่าติสติจิต เรียกว่าอะไรแล้วแต่จะจะตั้งชื่อแต่มันคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับที่ท่านบอกว่าปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปให้สุดขุดไห้ถึงเนี่ยคือไปให้ถึงความไม่เกิดไม่ดับนี่ท่านทั้งหลายเนี่ยฟังมามากปฏิบัติมาหลายครูบาอาจารย์หลายสำนักลวงตามไม่ได้เน้นว่าท่านจะฝึกมาจากสำนักไหนครูบาอาจารย์ไหนแต่ท่านต้องไปให้ถึงความไม่เกิดไม่ดับต้องหลุดพนจากสังขารให้ได้ ไม่ใช่ไปรู้จ่ออะไรไว้ที่ท่านมาปฏิบัติกันที่เราเห็นรู้ไล่จอ่อตามตัวตามเนื้อตามตัวรู้ไล่จ่ออะไรไว้ไม่ใช่แบบนั้นมันต้องไปในถึงที่มันไม่เกิดไม่ดับไม่ปูงแตกอะไรเลยผจับสังขารไปให้ได้ต้องอานใจของท่านในขาดเข้าใจไหมต้องรู้เท่าทันนะอต้องรู้เท่าทันนะขณะที่ มันเกิดมันเกิดความอยากมันเกิดความเคลื่อนจะไปจับอะไรเมื่อหลังถ้าเราตัวเราไปคิดไปปรุงไปแต่งเมื่อนั้นแนีะเสร็จแหละเข้าสู่กระแสปฏิจจสมุปบาทเข้าสู่พบทธางสามัมภารให้รู้ตัวไว้เลยตลอดเวลาแบบนี้ทุกท่านมปสังเกตเห็นเองธรรมชาติของใจที่มันไม่ไม่เกิดไม่ดับไม่ปรุงแต่งมันมีอยู่แล้วในทุกคน มันมีอยู่ในสรรพสัตว์มีอยู่ในพระพุทธเจ้ามีอยู่ในพระอาหารหันต์มีอยู่ในผลตุชนมีอยู่ในสรรพสัตว์ที่เบียดบ่ายตายเกิดเนี่ยมันมีอยู่แล้วใจที่มันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยในธรรมชาติมันก็มีความว่างเปล่าของธรรมชาติเนี่ยที่ไม่เกิดไม่ดับคือความจักรวาลความว่างเปล่าจักรวาลความว่างเปล่าของธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับแต่ทุกสิ่งที่ล่อ ง, องลอยอยู่ในธรรมชาติเนี่ยแม้แต่โลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ พวกเราทั้งหมดที่อยู่บนผิวโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดดับหมดในสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดมีมิหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่เกิดไม่ดับคือความว่างเปล่าของจักรวาลใจของเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของจักรวาล น, นั่นแหละมันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันแล้วก็ ในธรรมชาติของความว่างเปล่าจักรวาลมันก็มีโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีอุกาบาตมีจันทร์มีดาวเทียมที่โลกผลิตทั้งหลายยิงขึ้นไปมีทุกอย่างเศษขยะมีรวมทั้งมีสสารที่ล่อยลอยอยู่ในความว่างเปล่าจักรวาลก็จะมีพลังงานมีพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กพลังงานประจุไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กโลกมีมีทั้งไออะไรคลื่นโทรศัพท์คลื่นสัญญาณโทรทัศน์อะไรต่างๆที่ส่งเาปเป็นเวฟเป็นคลื่นมาเป็นพลังงานมันก็เกิดดับอยู่ใน ในความว้าเปล่าจักรวาลที่ไม่เกิดดับสางสสาร แ, และพลังงาทนทปริงๆที่เกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับในร่างกายของเราก็เหมือนการร่างกายเป็นสารสสารจริงๆที่เกิดดับเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผูกพังสลายไปแต่ในทุกขณะเป็นจิตปัจจุบันมันก็เป็นของไม่เที่ยงตลอดเวลานักวิทยาศาสตร์เขาเอาเครื่องมือก็ไปตรวจดูในร่างกายของเราเนี่ยในร่างกายของเราเซลล์ทุกเซลล์นี่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นของคงที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับแล้วว่าพระเจ้าสิ้นสุดยอดจริงๆ จนกระทั้งนวิสัเพิ่งจะมาค้นพบเครื่องมือที่สามารถตรวจร่างกายเราได้ทุกเซนแต่เจ้ารู้มาก่อนแล้วตั้ง 2,100 กว่าปีแต่นวิสัเพ่งจะมีเครื่องมือมาสามารถตรวจสอบได้ว่าในร่างกายของเราเนี่ยในทุกร่างกายของเราทุกเซนเป็นสิ่งที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นการทํางานเหมือนกระบวนการทำงานอย่างหนึ่งที่มีการเกิดดับเปลี่ยนแปลงทรงถ่ายเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆเราจึงต้องกินน้ํากินลมกินไฟกินอากาศหายใจเอาเข้าไปตลอดเวลา เพราะมันเป็นกระบวนการที่ต้องเติมถ่ายเข้าไปแล้วก็อทํางานเปลี่ยนแปลงหมุนหมว น, ว น, ว น, ว น, วนตลอดเวลาเราจึงต้องหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใ จ, haul, ยใจออกเนี่ยกินน้ classes, ํากินลมกินอากาศแล้วก็กินข้าวเนี่ยกินสารอาหารกินซากพืชซากสัตว์เข้าไปหมุนวนตลอดเวลาเลยในร่างกายของเราเนี่ยมันเลยไปซุปเซนในร่างกายของเรามีการเกิดดับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการสิร่งนี้เกิดไปสิ่งนี้ดับไปแล้วก็มีของใหม่ถ่ายเข้าไปเราจีต้องกินต้องเติมเข้าไปเพราะว่าร่างกายเราหมดเป็นของใช้สิ้นเปลือก ธาตุดินเป็นของใช้สิ้นเปลืองต้องต้องกินธาตพืชธาตตัดกข้าไปตลอดเวลาธาตุน้ําเป็นของใช้สิ้นเปลืองก็ต้องกินธาตุน้ําไว้ตลอดเวลาธาตุลมเนี่ยเป็นของใช้สิ้นเปลืองต้องหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาธาตุไฟเป็นของใช้สิ้นเปลืองเราก็ต้องเนี่ยไปโดนกว่ำไปหาไปหาอากาศที่อบอุ่นบ้างเราะฉั้นธาตุเนี่ยมันมันเป็นของที่ต้องถ่ายออกตลอดเวลาเป็นของใช้สิ้นเปลืองมันจึงไม่ใช่ของคงที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่วนสานสารเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาึ้าเป็นธาตุเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาต้องเติมตลอดเวลา <S 2> <S 2> <S 2> ส่วนพลังงานคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเวทนาสัญญาสั้งข่าวมิจฉามันก็เป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งเกิดดับเราก็เห็นง่ายอยู่แล้วสิ่งเกิดดับเ ป, เ ป, เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นสานสารพลังงานเป็นสิ่งเกิดดับเปลีล่ยนแปลงตลอดเวลามันก็เลยเหมือนกับทุกอย่างที่มันล่องลอ ย, อยอยู่ในความว่างเปล่าจักรวาลเนี่ยคือสสารก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงมีความเสื่อมไปตลอดเวลาโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุกาบาต แม้แต่จานดาวเรียมอะไรที่เขายิงขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็รวมทั้งซุกสปปรรพสิ่งที่อยู่บนผิวโลกก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและโลกใบนี้ทั้งใบพระเจ้าตรัสว่าในอนาคตข้างหน้าละลายหมดทั้งใบเลยนั้นทุกอย่างในในจักรวาลนี้ยล้วนเกิดดับเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายหมดมีแต่ความว่างเปล่าจักรวาลที่ไม่เกิดไม่ดับส่วนพลังงานที่มันล่องลอยอยู่ในจักรวาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลื่นประจุไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กหรือว่า ขึ S <S ้นโทรทัศน์ขึ้วิดีโอขึ้นโ ท, ทรศัพท์ ท, ท, ท, ที่พวกเราใช้กันมันเป็นพลังงานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ในความว่างเปล่าอุจจารวานมีแต่ความว่างเปล่าอุจจารวานหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่เกิดไม่ดับทั้งศาสสารและพลังงานเกิดดับอยู่ในความว่างหมดร่างกายเราเนี่ยมันเป็นศาสสารที่เกิดดับทุกเซนในร่างกายเราเนี่ยเป็นของใช้สิ้นเปลืองต้องเติมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไ ป, ไปเข้าไปเติมอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นของใช้สิ้นเปลืองเกิดดับตลอดเวลา ส่วนพลังงานเนี่ยที่เราใช้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับเป็นของใช้ชิ้นเปลืองเนี่ยพอใช้มากๆพลังงานก็หมดไปพูดง่ายๆเขาต้องเติมพลังงานเข้าไปเพราะว่ามันเป็นของใช้สิ้นเปลืองนั้นทั้งศาสารและพลังงานมันก็เลยเกิดดับเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นความว่ า, <S <s <ad> างเปล่าเหมือนจักรวาลคือมีแต่ใจเท่านั้นที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับความว่างเปล่าของจักรวาลไม่เกิดไม่ดับด้วย แต่สาสารและพลังงานในร่างกายจิตใจเราเกิดดับหมดเลยคือสรุปแล้วรูเปเวทนาสัญญาทั้งการวิญญาณเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่อาจทนอยู่สภาพเดิมได้เป็นทุกข์ไม่เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามีแต่ใจเท่านั้นหรือจิตเดิมแท้หรือวิญญาณดั้งเดิมแท้หรือเรียกว่าลูกตามหาโบเรียกว่าธรรมธาตุลูกปู่ม่านคุเลี้โตพ่อแม่คุณอาจา ร, รย์ใหญ่เรียกว่าถีติจิตจิตเดิมแท้หรือจิตดั้งเดิม แล้วแต่ใครจะเรียกชื่ออะไรแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับความว่างจักรวาลที่อยู่ในตัวเรานี่เองส่วนสสารคือร่างกายและพลังงานคือเวทนาสัญญาสังขารขวิญญาเป็นพลังงานที่เกิดดับแต่เกิดดับอยู่ในสิ่งหนึ่งที่มันไม่เกิดดับมีชื่อสมมุติเรียกว่าใจบ้างจิตเดิมแท้บ้างเรียกว่าวิญญาณเดิมเดิมแท้แท้บ้างเรียกว่าถสติปูตังบ้างถสติจิตบ้างเรียกว่า อธรรมธาตุบ้างเรียกว่าสุญญาตาบ้างมหาสุญญาตาบ้างเรียกว่าจักรวาลเดินบ้างแล้วแต่ว่าใครจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าพุทธโธพุทธะก็มีใครจะเรียกว่าอะไรนสมมุติทั้งนั้นเลยแต่สิ่งนั้นคือรู้กันว่ามันเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าไม่เกิดไม่ดับดังเราปฏิบัติกันทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อมาถึงจุดนี้ไง ที่หลวงปู่ดุลอัตโลรว่าก่อนที่จะดับจิตสุดท้ายหลวงปู่ดุลอะตุโลเจ้าแห่งจิตที่เป็นพาาระหลานที่เรายอมรับกันเรียกเป็นเจ้าแห่งจิตเรื่องจิตเห็นจิตนี่แหละได้ก่อนก่อนที่จะดับขันได้ทําให้ดูว่าพุทธเจ้าทุกพระองค์เน่ะเวลาจะดับขันปรินิพานเก็จะเข้าฌานให้ดูเข้ารูปฌานแล้วก็จากรูปฌานสี่ก็มาเข้าอารูปฌานสี่แล้วก็ ถอยกลับมาสู่รูปประชานสี่แต่เวลาตอนจะดับขันนิพพานไม่เข้าทั้งรูปประชานไม่เข้าทั้งอรูปประชานดับขันผลิพานในสภาวะปกติไม่ไม่ดับในรูปประชานและไม่ดับในอรูปประชานดับในสภาวะปกติแล้วก็ดับไปสู่จิตเดิมแท้มหาสุญญาตาเราปฏิบัติมาทัา้งหมดนี้ก็เพื่อมาถึงจุดนี้คือมหาสุญญาตาหรือจักรวาลเดิมแล้วก็ดับ ี่ผ่านไปนะกวดุลนัตโรพูดจนถึงเวาลาสุดท้ายเราปฏิบัติทั้งหมดก็เพื่อมาถึงมหาสุญญตาหรือจักรวาลเดิมคือความไม่เกิดไม่ดับเนี่ยที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องไปถึงความไม่เกิดไม่ดับชื่อมันจะเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกว่าใจหรือมหาสุญญตาหรือจักรวาลเดิมหรือความว่างเปล่าว่างว่างไพศาลหรือจะเรียกว่ารู้เรียกว่าที่ก็ฐานกวดุลนัตโรว่าอยู่กับอะไรอยู่กับรู้รู้ของท่านเป็นยังไง ร, รู้คือเป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล หรือเรียกว่ามหาสุญญาตาหรือจักรวาลเดิม่นี่ะนนไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่เกิดกับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับหรือมหาสุญญาตาเนี่ยจักรวาลเดิมแต่ความว่างของใจหรือจิตเดิมแท้เนี่ยมันมีความรู้พราะมเป็นธาตุรู้เป็นธาตุธาตุนี่มันไม่แปลว่าก้อน ธาตเนี่ยมันคือคุณสมบัติของมันคือกวามว่าเป็นความว่างป่าเช่นเดียวกับจักรวาลแต่มันมีความรู้อยู่รู้อะไรอ่ะก็รู้ว่ารู้ตัวมันเองอ่ะว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีกิริยาการใดๆแล้วก็รู้ว่าขันห้าไม่ใช่มันร่างกายและซึ่งเป็นรูปซึ่งเป็น ร่างกายที่เป็นสสารและพลังงานคือเวทนาสัญญาทั้งขาวิญยานหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้แสดงกิริยาการต่างๆได้ไม่ใช่ไม่เช่นมันคือไม่ใช่ใจที่ไม่มีอาการไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่ใจที่กว้างปราศจากอาการไม่ใช่จิตเกิดเดืแด่ดังนั้นเนี่ยธาตุรู้เนี่ยมันรู้อะไรก็รู้ว่าตัวมันเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาการใดๆ แล้วก็รู้ว่าขันธ์ท่ทั้งร่างกายและจิตใจล้วนเป็นเป็นสังขารเป็นสิ่งที่พุงแตกเป็นสิ่งที่เกิดดับมีแต่ตัวมันเองเท่านั้นคือธาตุรู้เท่านั้นจะมีชื่อเรียกว่าใจเรียกว่าพุท ธ, ธะเรียกว่าจิตเดิมแท้เรียกว่าทิฏฐิจิตเรียกว่าธรรมธาตุก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้เรียกมหาสุธธธธาาาเดตะจักรวาลเดิมคือมันไม่ปรากฏอะไรเลยตัวมันนอกจากตัวมันแล้วปรากฏเกิดดับหมดมันจะไม่ไปหลงเอาไว้สิ่งที่เกิดดับได้ มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้สิ่งที่ปุงแต่งได้มาเป็นมันเลยเพราะมันรู้อยู่เสมอว่ามันคือความไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวตนมันพ้นซึ่งความหลงอีกแล้วพ้นซึ่งความโง่อีกแล้วคือพ้นจากหลุดพ้นจกอากอวิชชาแล้วมันจึงไม่ไปยึดเอาสิ่งที่เกิดดับได้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่คิดนั่นคือตองปุงแต่งได้สิ่งที่แดงตริยาการได้ไม่ไปยึดเอาร่างกายไม่ไปยึดเอาเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณและไม่ไปยึดสิ่งใดที่นอกตัวเรา มาเป็นเรามาเป็นตัวเรามาเป็นตัวตนของเราหรือไม่หลงยึดเอาว่ามีตัวเราอยู่ในขนนันห้านี้ต่อไปมันเป็นความรู้ที่ว่าตัวมันไม่มีตัวตนไม่มีกิริยาการใดเลยแต่นอกจากมันแล้วทุกอย่างล้วนเกิดดับไม่เที่ยงทั้งหมดรวมทั้งร่างกายจิตใจและนอกร่างกายจิตใจล้วนเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วดับไป มีแล้วหายไปจนสิ้นมีแต่มันเท่านั้นคือหนึ่งเดียวคือใจหรือจิตเดิมแท้หรือธาตุรู้แท้แท้หรือธรรมธาตุหรือมหาสุญญต า, าหรือจักรวาลเดิมเท่านั้นที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะว่างเปล่ายังเป็นอมตะไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายไม่มีอาวุธใดในโลก มาฆ่ามันให้ตายได้แม้แต่นิพพานก็ทำลายมันไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่าง ไ, ไม่มีอะไรเลยนิพพานฆ่าได้ทำลายได้แต่อวิชชาคือความโง่ความหลงนิพพานฆ่าได้เฉพาะทิเลสปัญหาและความทุกข์เท่านั้นแต่นิพพานไม่ฆ่าจิตเดิมแท้ไม่ฆ่าใจแท้แท้หรือธาตุดู แท้ๆที่ไม่มีตัวตนทายเมื่อไหร่จะหายโง่ซะทีที่ไปยึดเอาสังขารที่มันคิดได้นึกได้ติดต o องได้๊กๆๆๆๆว่าเป็นเราเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราไปไปกๆๆๆพยายามช่วยตัวเราซะทีมันไม่หายโง่ซะทีเอาวิชาแปลว่าโง่มันไม่หายโง่ไปเอาไว้ตัวที่มันจกๆๆใจเคลื่อนไหวเกิดดับได้เป็นตัวเรามันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเราก็ต้องด่ามันมึงโง่อย่างนี้มากี่ชาติแต่วัเนี้ โอ้ตายกูเวียนตายเวียนเกิดมาเป็นกลับๆแสนกลับแสนกันต้องเวียนตายเวียนเกิดในร่างต่างๆต้องทุกข์โศกเศร้าเสียใจครับแก้นใจไปตกนรกมาก็มามาย ไ, ไปเกิดเป็นสัตว์ในฉาบเป็ดสุลกายมากนานนับปกามึงทําไมงโง่ยังเอาสังขารที่มันปรุงแต่งได้เกิดจับได้ที่มันหมุนว น, วนได้มาเป็นตัวเราอีกวะไ ม, ไม่ทําไมมันไม่ปล่อยวางเพรก็ทีไอ้ไอ้ไม่ยึดมันโลิกเลิก หลงไปยึดเอาไอ้สังขารที่มันเกิดดับได้ปรุงแต่งได้เคลื่อนที่ได้หมนวนได้เป็เราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราสักทีถ้าเราพ้นจากสังขารที่มันเกิดดับได้ปรุงแต่งได้เคลื่อนที่ได้หมดเราก็การเป็นใจที่ไม่เคลื่อนที่ต่อไปเมื่อไหรเนี่ยการเป็นใจที่ไม่เคลื่อนที่มันก็พ้นจากโลกทั้งสามไม่ต้องไปเกิดในโลกทั้งสามเพราะการที่จะไปเกิดในโลกทั้งสามมันจะต้องกลายไปเป็นตัวที่เคลื่อนที่ไม่ทจะไปเกิดในโลกทั้งสามได้เพราะมันจะต้อง ไปเป็นตัวปรุงแต่งโลกทั้งสามกามาโล ก, ลกรูปโลกอาลูปรโลกล้วนไปจากความปุุงแต่งทั้งหมดเมื่อหลุดพ้นจากความปรุงแต่งจึงหมดโอกาสที่จะไปเกิดในโลกทั้งสามติดต่อไปเนี่ยโลตาก็อธิบายให้ผู้ท่านฟังเข้าใจละเหตุละผลในธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เมตตาเนี่ยสั่งสอนพวกเรามาด้วยน้ําใจของพระ อ, องค์ เมตตาที่ออกมาจากใจของพระองค์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมที่ออกจากใจของพระองค์ไม่มีพายาสง์พ่อแม่ครูบาจารย์ถ่ายทอดกันมาถึงเราก็ไม่มีมาถึงพวกท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านจึงนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระเรืองศคุณของบิดามารดาที่ให้ท่านกาเนิดเ้องเป็นมนุษย์ในมาปางธรรมมนุษยธรรมเห็นธรรมของพุทธเจ้าคุณของครูบาาจารย์ เวลาสายวัดป่าก็าต้องเรียกกูบาอาจารย์เรียกว่าพ่อว่าแม่ครู อ, อาจารย์พ่อแม่ครู อ, อาจารย์ที่ไนพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็ตรัสรูท้ทำนี้แหน่ที่หลวงตาพูดนี่แน่ทำที่ไม่เกิดไม่ดับมันมีอยู่แล้วแต่พวกเราไม่เห็นมันเองแต่เราไปเห็นแต่ทำฝ่ายที่เกิดดับเรียกว่าสังขารแต่ทำฝ่ายที่ไม่เกิดไม่ดับเรียกว่าวิสังขารหรืออสังขตธาทั มันมีอยู่แล้วเป็นของคู่กันกับสังขารคือทำฝ่ายที่เกิดดับแต่เรามัวไปยึดถือทำฝ่ายที่ปรุงแต่งฝ่ายที่เกิดดับจะหมดสิ้นเราจึงไม่เห็นทำฝ่ายที่ไม่เกิดไม่ดับเลยซึ่งมันมีอยู่แล้วในพุทธเจ้ามีอยู่แล้วในพระ อ, าา อ, อรหันต์มีอยู่แล้วในปุถุชนมีอยู่แล้วในสรรพสัตว์ทั้งหลายธรรมนี้ที่ไม่เกิดไม่ดับนี้มีอยู่แล้วแต่พวกเรา เอาขันห้ามาบาังเสียหมดท่านเลยว่ารู้ไม่ทันขันบังทำรู้ไม่ทันขันบังทำคือทําบางทำอะไรก็บังทํำไปไม่เกิดไม่ดับไม่ปลุกแต่งเราเอาขันห้าซึ่งเป็นธรรมชาติไปพงแต่งมาบังธรรมชาติไปไม่ปพงแต่งเสียหมดจึเงเรียกว่ารู้ไม่ทันขันบังทำ หรือรู้ไม่ทันเอาสังขารมาบาังทรมาชาติฝ่ายที่ไม่ปุงแต่งไม่เกิดไม่ดับที่เป็นวิสังขารเอาสังขารมาบังวิสังขารจะหมดเหมือนพวกท่านนั่งเป็นแถวแถวซ้อนกันหลายแถวเอาคนหน้ามาบังคนหลังหมดมองไม่เห็นคนหลังเลยทั้งๆที่คนข้างหลังก็มีอยู่ในที่นี้แต่ถูกคนหน้าบหลังเจอหมดเลยมองไม่เห็นมันมีอยู่แล้วแต่ท่านกับ ไม่เห็นมันท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดพบใจที่ไม่สังขารนั่นแหลนะผู้นั้นพบธรรมคือธรรมที่ไม่สังขารหรือธรรมที่ไม่เกิดนิดักผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพันธิพา